ชีวิตที่เจริญงอกงามและผาสุขได้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอาการเรียนรู้เนี่มันเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะไม่มีสิ้นสุดเลยก็ว่าได้อย่างที่เขาเรียกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตนีในการเรียนมันมีทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญนะ ก็คือการอ่านการอ่านนี่เป็นทักษะที่สำคัญของการเรียน <c oughs> เดี๋ยวพอาในยุคปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยาการอ่านจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะสิ่งสำคัญกว่าคือการฟังนะอย่างที่เขาเรียกว่าหัวใจนักปราชญ์เนี่ยหัวใจนักปราชญ์นี่ก็มีอยู่สข้อสประการนะสุจิปุลิสุนี่ก็คือฟังนะสุตตะจิก็คือจินตะ ขิดใกลครวนปุนนี่ก็คือปุดชา้าซักถามเล่ ก, ก็คือเยกขิดก็คือบันทึกขิดเขียนนักปราศสมัยก่อนนี่ต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังมากแต่สมัยนี้การอ่านเนี่ยสำคัญกว่าสมัยก่อนนี่ไม่มีตำรับตำรานะคนเนี่ยคือตำราจะเลยรู้จากอาจารย์ก็ต้องฟัง ฟังจากท่านให้มากแล้วก็จดจาเอาไว้แต่สมัยนี้มันมีตำร า, านะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้จะเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้ก็ต้องอ่านอ่านให้ออกาการอ่านหนังสือให้ออกเนี่ยจึงเป็นทักษะสำคัญนะของการศึกษาการเรียนรู้ในปัจจุบันการอ่านนี่มันสิ่งสำคัญนะสำหรับ การเรียนรู้นะวิชาการหรือแม้กระทั่งวิชาชีพนะในปัจจุบันเป็นทักษะสำคัญนะของการใช้ชีวิตในทางโลกและจริงในทางธรรมเนี่ยการอ่านก็สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านตำราแต่เป็นการอ่านใจนะ สำราเนี่ยแม้จะเป็นถึงขั้นคำพีเนี่ยคือพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่สำคัญนะเท่ากับการอ่านใจใจที่ว่านี่คือใจตนนะเวลาพูดถึงการอ่านใจนี่คนก็นึกถึงอ่านใจคนอื่นหนังสือหรือคำบรรยายเกี่ยวกับการอ่านใจผู้อื่นนี่ เป็นที่นิยมขายดีมากเดีย๋ยวนี้มีกระทั่งว่าอ่านใจคนภายในหนึ่งนาทีนะไม่มีนะอ่านใจคนภายในหนึ่งนาทีแต่อ่านใจคนเนี่ยมันไม่สำคัญนะเท่ากับอ่านใจตนพรอ่านใจตนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะของการเรียนรู้ทางธรรมการอ่านหนังสือ เป็นสิ่งสําคัญสำหการเรียนรู้ทางโลกหรือว่าวิชาการวิชาชีพส่วนการอ่านใจตนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสำหรการเรียนรู้วิชาชีวิตหรือการเรียนรู้ในทางธรรมถ้ามีหลายคนนะเวลาจะมาบวชนะ เพื่อได้เข้าใจในเรื่องทางธรรมเนี่ยหอบตำรานะหอบหนังสือมาหลายเล่มเลยว่าจะได้อ่านธรรมะจะได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแต่ว่าในหลายสำนักเนี่ยนะกูบาอาจารย์นก็บอกให้เก็บหนังสือไว้ก่อน หนังสือก็สำคัญนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งสาคัญคืออ่านใจตนนะไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านหนังสือกับอ่านใจตนนี่มันมันต่างกันนะแม้ว่าคํานี้มันจะเหมือนกันแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแต่ว่าหลายอย่างก็ต่างกัน อ่านหนังสือนี่เราใช้ตาเนื้อนแต่อ่านใจตนนี้เราใช้ตาในนตาในคือสติอ่านตำราเนี่ยมันต้องใช้ความคิดเวลาเราอ่านตัวอักษรเนี่ยจะอ่านหนังสือออก น, นี่ก็ต้องอ่านตัวอักษร อ, ออก รู้ว่าตัวอะไรอักษรอะไรแต่ว่ารู้ไม่พอนะมันต้องรู้ความหมายอย่างเช่นนะกอไก่กับบอใบไม้เนี่ยนะมาอยู่ใกล้กันเนี่ยนอกจากอ่านออกว่ากบแล้วที่ต้องรู้ความหมายด้วยนะว่าหมายถึงอะไร อันนี้นต้องอาศัยความจาอาศัยสัญญาแล้วก็จะรู้ความหมายได้ดีเนี่ยมันก็ต้องรู้บริบทอากบเนี่ยมันหมายถึงอะไรนมายถงใส่ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่าหมายถึงที่ใช้เหลาดินสอหรือว่าใส่ไม้น ะ, อ, ะอันนี้ต้องใช้ความคิดละจากประโยค ที่แวดล้อมแต่ว่าอ่านใจเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้ความคิด น, นะมันแค่ดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจความคิดก็ตามหรืออารมณ์ก็ตามดูโดยที่ไม่ต้องตีความเลยมันเห็นอ่านหนังสือเนี่ย น, ะนอกจากรู้ความหมายแล้ว บางทีแล้วก็นอกจากรู้ความหมายแล้วใคร่ควรว่าหมายถึงอะไรกันแน่ในบริบทนั้นเนี่ยบางทีมันก็อดปรุงแต่งไม่ได้นะหรือว่ามีความรู้สึกต่อเติมเสริมแต่งเข้าไปเช่นพอเ ร, เราอ่านเจอคำว่าตดเนี่ยตอดอเนี่ย มันจะรู้สึกกลิษที่ฟุ้งขึ้นมาเลยนะหรือกลิ่นที่ครุ้งเลยมันมีสัญญาเตื้มโยงนะคำนี้กับกลิ่นนะที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ทั้งที่ตัวอักษรเนี่ยมันก็มีแค่สองอักษรแต่ว่าพอเราอ่านแล้วมันก็ปรุงแต่งต่อเติม หรืออย่างพอเห็นคำว่ากุหลาบเนี่ยนะมันก็จะปรุงนะความรู้สึกหรือความทรงจำเกี่ยวกับกุหลาบขึ้นมาคือได้กลิ่นนะกลิ่นกุหลาบในความคิดในจิตใจอันนี้คือ สิ่งที่มันเป็นธรรมดาของการอ่านหนังสือแต่ว่าการอ่านใจเนี่ยโดยวพาอ่านใจตนเนี่ยมันถ้าอ่านเป็นเนี่ยมันก็จะไม่ปรุงนะหรือจะรู้ทันเวลามันมีการปรุงการต่อเติมขึ้นมาเช่น เห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความเครียดเกิดขึ้นใหม่ๆมันก็มีการตีความตัดสินนะว่าไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีความอิจฉามีราค่าเกิดขึ้นมันก็ติดตัดสินตีความว่าไม่ดี ต้องผักสายออกไปแต่นั้นยังไม่ใช่การอ่านใจที่ถูกนะอ่านใจที่ถูกนี่มันมันแค่รู้แค่เห็นแต่ว่าไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่เห็นอย่างที่มันเป็นอันนี้เขาเรียกว่ารู้ซื่อ รู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่มีการตัดสินไม่มีการต่อเติมหรือปรุงแต่งให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีอ่านใจแบบนี้มันสำคัญมากเลยนะแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยอ่านตัวหนังสือมาเยอะอ่านตำรามามากเนี่ยแต่พอให้อ่านใจตัวเองนี่ ไไม่เป็นนะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเบื่อเซ็งเหงาเครียดวิตกขุนมัวหุดหงิ ด, งดหรือว่าซึมบางทีแม้กระทั่งความโกรธความเกลียด ที่มันฟุ้งอยู่ในใจยังยังไม่เห็นเลยไม่ใช่ไม่มีนะแต่ไม่เห็นคืออ่านไม่ออกอ่านใจตัวเองไม่ออกอันนี้เป็นกันมากนะไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นนะเพราะเขาไม่ค่อยได้มั่นสังเกตดูใจของตัวมันก็เลยเห็นเลยรู้สึกว่า อารมณ์พวกนี้มันเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยแยกแยกไม่ออกคงเหมือนกับคนในเมืองเข้าไปในป่าเนี่ยโอ้ต้นไม้นี่มันนาน า, นานชนิดเลยนะหลากหลายแตกต่างกันไปแต่คนในเมืองจำนวนมากเนี่ยมองไม่เห็นความแตกต่างของต้นไม้ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันชื่ออะไรนะ แต่เห็นต้นไม้นี่มันเหมือนกันหมดเลยทัง้งที่มันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นมันแตกต่างกันอันนี้เพราะเขาไม่คุ้ไงเขาไม่คุ้เกาไม่ค่อยได้เข้าป่าหรือว่าเข้าป่าแต่ก็ไม่ค่อยได้สังเก ต, ตจริงๆก็ธรรมดานะชาวป่าหรือชาวบ้านเนี่ยที่รู้ความแตกต่างของต้นไม้ในป่า แต่พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเห็นตึกรามบ้านช่องเห็นนะอาคารต่างๆมากมายนี่ก็ก็มองว่ามันเหมือนกันหมดเลยอาจจะมีบางตึกสูงบางตึกเตี้ยแต่ว่าเหมือนกันหมดเลยนะรูปลักษณ์ที่คนเมืองนี่โอ้ตึกแต่และตึกนี่มันมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ใช่แค่สูงต่ําแตกต่างกัน รูปพรรสัณฐานก็แตกต่างกันด้วยเพราะเขาคุ้นไงนะคุ้นกับกับชีวิในเมืองคุ้นกับตึกต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็เห็นถึงความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยอการอ่านใจข อ, นของตนก็เหมือนกันนะมันจะเห็นความแตกต่างของอารมณ์บอกได้ว่าตอนนี้ เศ้าตอนนี้ซึมตอนนี้เบื่อตอนนี้เหงาตอนนี้เครียดเป็นเพราะว่ามันสังเกตมันมันอ่านใจของตัวเองบ่อ ย, อยตอนเ ด, เด็กเนี่ยสมัยเรียนรุปานจะมาจำได้เนี่ยขอไข่กับบอใบไม้นี่เห็นเหมือนกันเลยแยกไม่ออกว่าอันไหนขอไข่อันไหนบอใบไม้อันไหนบอแหวนอันไหนอออ่างให้ดูมันเหมือนกันนะ แต่พอมาดูไปดูบ่อยๆดูบ่อยๆโอ้ยต่างกันเยอะเลยนะขอไข่กับบอใบไม้อะบอแหวกกับอบอ อ, อ่างนี่ก็ต่างกันเยอะเลยไม่ต้องพูดถึงขอไข่กับขอขวดนะอันนี้พอเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็เลยแยกแยกจำแนกได้ไอการแยกแยะจำแนกได้มัก็สำคัญสําหรับการอ่านหนังสือชั้นใดนะการแยกแยะจำแนกอารมณ์ แล้วก็สําคัญสำหรับการอ่านใจตนและพออ่านใจตนออกเนี่ยในความหมายพื้นฐานที่ว่าเนี่ยแยกแยะอารมณ์ต่างๆได้รู้ทันเมื่อมันเกิดขึ้นต่อไปมันก็จะอ่านสิ่งที่สําคัญกว่านั้นได้นะคืออ่านทุกเนะี่ยอ่านทุกอ่ทุกนี่เป็น สิ่งสำคัญนะสำหรับทักษะในการที่จะออกจากทุกเนี่ยอริยสัจข้อแรกคือทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเนี่ยให้ให้รู้ให้รู้ทุกนะมีทุกเกิดขึ้นก็กำหนดรู้หรือรู้ทุกทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้หรือเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทั่วถึงรู้รอบไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัด การรู้นี่โดยเพราะรู้ทุกข์นี่เป็นเบื้องต้นเลยนะของการออกจากทุกข์จะรู้ทุกข์ได้นี่มันก็ต้องอ่านทุกข์ออกอ่านทุกข์เป็นนะซึ่งมันก็มีพื้นฐานจากการที่เราสามารถอ่านเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยเพราะอารมณ์ที่มันเป็นตัวทาให้เกิดทุกข์ความโกรธความเกลียดความโลภความอิจฉา ความวิตกกังวลพวกนี้ถ้าอ่านไม่เป็นมันทุกข์เลยนะคือไม่เห็นมันก็เลยปล่อยให้มันครอบงาใจแล้วมันก็เลยบงการจิตใจถ้าเป็นความกลัวมก็เผาใจถ้าเป็นความเกลียดก็เกลียดแทงใจถ้าเป็นความวิตกมันก็ทำให้หนักอกหนักใจแต่ถ้าเห็นมันอ่านมันออกนะออ โดยเพราะอ่านแบบที่ช่วยให้รู้ซื่อเนี่ยมันก็เข้ามาคลองใจไม่ได้พอเห็นมันเนี่ยมันก็หลบมันก็หายมันก็จางคลายไปแต่ขณะที่มันยังอยู่นี่ก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นเลย น, นะว่าอทุกเกิดจากอะไรหรือว่าเกิดทุกที่ไหน คนเราบางครั้งในเวลาเกิดทุกข์แล้วไม่รู้นะไม่รู้ทุกข์โดยเพราะเวลาปวดเมื่อยเวลาเจ็บมีทุกขเวทนาทางกายเนี่ยคนก็มักจะเห็นแต่หรือรู้แต่ความทุกข์กายปวดแขนปวดขาปวดหลังพอนั่งนาน แต่ก็เห็นเท่านั้นแหละ เ, เคยถามนะว่าตอนนี้ทุกข์ไหมคนที่นั่งนานๆก็บอกว่าทุกข์ปวดปวดแขนปวดขาถามต่อไปว่ามีทุกข์ที่อื่นไหมมีทุกข์อย่างอื่นอีกไหมไม่มีมีแค่ทุกข์กายปวดแขนปวดขาปวดหลังเา้าทุกข์ใจไม่เห็นเหรอ ไม่มีเลยพอเท่าแบบนี้ถึงค่อยสังเกตว่ามีนะมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจที่นั่งนานที่บรรยายไม่จบสักทีนะจะอยากจะเข้าห้องน้ำเต็มทีแล้วมันปวดประสวะมันเมื่อยขาอยากจะ ขยับแข้งขยับขาแต่ทำไม่ได้เพราะว่ายังบรรยายไม่จบใจมันบนว่าเมื่อไหร่จะพูดจบสักทีเมื่อไหร่จะปล่อยเข้าห้องน้ำสักทีมันมีความไม่พอใจมีความคุ่นเคืองมีความหงุดหงิดอยู่เหลียงน้อย ก, ก็ตีโพยตีภายนั่นแหละนะคือความทุกข์ใจแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ย อ่าไม่ออกมองไม่เห็นงั้นเพียงแค่คําว่ารู้ทุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะที่คนจะรู้ได้เนี่ยทั้งที่มันเล่นงานจิตใจหรือบางทีเล่นงานร่างกายด้วยซ้ําแต่ก็ไม่รู้ก็มีบางคนเครียดแต่ก็ไม่รู้ว่าเครียดยมือนีิกรรมนั่นแต่ไม่รู้ อันนี้เรียอะเพราะว่าอ่านทุกไม่ออกเดือเพราะทุกใจเน้อนที่ไม่ออกเพราะว่าอ่านใจไม่เป็นแต่ถ้าอ่านใจเป็นเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นทุกอ่านทุกแล้วก็อ่านออกด้วยว่าโอ้มันทุกนี่มันแท้จริงอยู่ที่ใจและสาเหตุก็เกิดจากใจนี่แหละไม่ใช่เพราะมีสิ่งภายนอก ไม่ใช่เพราะเหตุอยู่ขี่ข้างนอกนะเวลาทุกข์เพราะเสียงดังมากระทบหูเนี่ยความทุกข์จริงๆมันไม่ได้เกิดจากเสียงมากเท่ากับใจที่มันไม่ชอบใจที่มันผลักไสใจที่มันต่อต้านพอเห็นตรงนี้เนี่ยนะเห็นอาการของใจตร่งเงี้ยและทําให้มันเป็นปกติซะ พอใจไม่ผักสไม่ต่อต้านได้ความทุกข์ก็หายไปแม้ว่าเสียงยังดังอยู่เสียงดังก็ดังไปแต่ใจไม่ทุกข์เพราะไม่มีการผักสายไม่มีการต่อต้านเพราะอะไรเพราะเห็นมันพอเห็นมั น, น, ม, นมันก็หยุดที่มันเคยวุ่นวา ย, ายมันก็นสงบที่มันเคยผักสก็นิ่งนี่ก็จะเห็นนะเรื่อยนะว่าโอ้ทุกข์ เพราะใจเรานี่เองเพราะเราไม่รู้ทันแล้วก็จะเห็ น, นว่าทุกข์นะเพราะว่าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอันนี้อย่างหยับยานเนี่ยทุกข์เพราะเจอพบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่พอดูไปดูไปเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถูกใจหรอกนะมันไม่ถูกกิเลสตั้งหากมันไม่ถูกกิเลสมันไม่ถูกมันไม่ตรอง ตรงกับสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นหรือเรียกงไง่ามันไม่ถูกกิเลสตรงเนี้ยันไม่ทําให้เราเนี่ยรู้เท่าทัานกิเลสอ่านกิเลสออกมากขึ้นจะอ่านทุกออกนี่มันต้องอ่านกิเลสอ่านอุบายของกิเลสออกนะอันนี้นต้องใช้ความคิดหน่อยนอกจากใข้ครควรเหมือนกับเราดูบอลเนี่ยเราดูกิเลส ด, ดูกีฬาเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉยเฉยนะ ถ้าถ้าดูเป็นนี่มันก็อ่านเกมออกอ่านเกมออกว่าอีกฝ่ายนึงเขาใช้วิธีการอะไรทั้งสองฝ่ายเขาใช้วิธีการอะไรอ่านเกมออกมันก็เกิดความสนุกขึ้นมาว่าอีกฝ่ายจะแก้เกมอย่างไรอ่านอุบายของเกติกิเลสออกนี่ก็สําคัญนะมันไม่ใช่ทําให้สนุกนะแต่มันทําให้ความทุกข์เนี่ยลดลง กิเลสนีมันก็มีอุบายมากมายนะที่ชวนให้เราหลงให้เราคล้อยตามอำนาจของมันหรือผลเปลอมันอย่างเช่นการสรรหายเหตุผลที่สวยหรูหลายคนเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะไปเชื่อเหตุผลที่กิเลสมันปรุงแต่งขึ้นมาหรือล่อหลอกอย่างเช่นคนที่ กินเหล้าเนี่ยนะเพราะามันจะอ้างว่าหรือเาเชื่อว่าเนี่ยเพื่อสังคมหรือว่าเพราะมันจำเป็นต่ออาชีพการงานต้องกินเหล้ากับลูกค้าต้องกินเหล้ากับเพื่อนฝูงเนี่ยจึงจะก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือว่าจะได้มีเพื่อนพ้องมีสังคมแต่ที่จริงมันเป็นเพราะกิเลสมากกว่ากิเลสที่มันหลงไหลใน สิ่งเสพเหล่านั้นมันก็อ้างเหตุผลเพื่อให้คล้อยตามกิเลสแล้วก็ทำให้ดูดีนะเด็กหลายคนนะรบเร้าพ่อแม่อยากจะได้ iPad อ้างว่า iPad นี่จะช่วยทำให้จะใช้ iPad ในการเรียนหนังสือเลยเพราะสมัยนี้มันต้องออนไลน์แล้วไม่ใช่แค่เรียนออนไลน์อย่างเดียวนะมันต้องส่งรายงานหรือว่าต้อง จะได้ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ทำรายงานทำการบ้านได้สะดวกคล่องแคล่วพอแม่พ่อซื้อให้จารที่จะมาใช้ในการเรียนก็เอามาใช้เล่นเกมแต่เป็นติดเกมไปเลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะอยากได้ iPad จะได้ดูการบรรยายธรรมะทาง YouTube ของครูบาอาจารย์ต่างๆ ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไปวัดนะก็ฟังธรรมดูธรรมะนะจากเครื่อง iPad นี่แหละนะก็ล่อหลอกตัวงให้ซื้อนะพอซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ดูธรรมะหรือดูการบรรยายแต่ว่าเล่น Facebook เล่น l ล n e ดูหนังฟังเพลงดูหนังซีรีส์เนะนี่ยเสร็จเสียท่าพลาดท่ากินเลสเนนะี่ยเพราะว่า ไม่รู้ทันกิเลสอ่านเกมของกิเลสไม่ออกถ้าเป็นงี้ไปมันก็สุดท้ายก็จบไปด้วยความทุกข์นะออกจากทุกข์ไม่ไม่ได้งนั้นเนี่ยการอ่านที่สำคัญเนี่ยก็คือการอ่านกิเลสออกด้วยซึ่งกาต้องเริ่มต้นจากการอ่านใจตัวอ่านใจตนให้ออกอ่านใจตนให้เป็นอ่านใจตนเป็นมันก็จะอ่านทุกข์ได้ออก แล้วก็รู้ท้อทันอุบายกิเลสอ่านเกมของกิเลสออกสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถจอดจากทุกข์ได้ไม่ลงเชื่อกิเลสบางทีกิเลสก็ปั่นหัวเราให้ผู้จาดาทอนะคนที่เขาอนินทาเราหรือพุทําอะไรไม่ถูกใจเรา มันก็สัณฐานผลว่าเนี่ยต้องสั่งสอนไม่งั้นก็จะได้ใจใจจริงมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรไม่ได้หวังดีอะไรจากเขาหรอกไม่ได้หวังดีอะไรกับเขาหรอกนะเพียงแต่ว่าอยากจะเอาชนะเขาหรืออยากจ ะ, ะเล่นงานเขาให้ให้สาแก่ใจนะซึ่งก็เป็นไปตาหน้าวกิเลสถ้าอ่านอุบาลกิเลสไปออกเนี่ยมันก็หลงเชื่อคล้อยตามแล้วก็ เพิ่มทุกขให้กับตัวเองซ้ําแล้วซ้ําเล่าถึงแม้จะมีความรู้มากมายนะแต่สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดนะอย่างที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวหตัวไม่รอดไม่รอดจากความทุกข์นะไม่รอดจากสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยก็เพราะการที่อ่านใจใตัวเองไม่ออกนี่แหละเอาชาญิภู่านี้นะอครับ